ปฏิบัาการดำเนินของหลวงปู่ทั้งสมัยยังหนุ่มและชาราภาพหลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยวความเพียรกล้าทั้งสามอิรยาบทคือเดินจงกรมก็เก่งเดินแต่ชันเสร็จแล้วถึงเที่ยงเข้าพักร่างกายพอบรรเทาขันแล้วเข้านั่งสมาธิพอประมาณราวหนึ่งถึงสองชั่วโมงจากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรมทาความเพียรละหรือถอถอนกิเลสประเภทต่าง ที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆกี่ชั่วโมงท่านไม่ค่อยกำหนดจนถึงเวลาปัดกวาดบริเวณที่อยู่ของพระองค์เดียวที่ไม่ชอบกังวลกับสิ่งใดผู้ใดท่านจึงออกมาปัดกวาดส่งน้ำนั่งรำพึงไตรตรองอธรรมในแง่ต่างๆตามอัธยาศัยหลังจากนั้นส่วนมากท่านมกเข้าทางจงกรมมากกว่าการเข้านั่งสมาธิภาวนาท่านเดินจงกรมแต่ละครั้งราวสมสี่ห้าชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง จึงจะเข้าที่พักซึ่งส่วนมากมักเป็นเพิงบ้างเป็นปรารำเล็กๆบ้างในหน้าแล้งฝนไม่ตกถ้าน่าฝนก็อยู่กุดีซึ่งเป็นกระต๊อบพร้อมหมกตัวอยู่ได้ไม่รู้ร้าน่าอยู่อะไรเลยยังน่าสังเวชดวยซ้ำในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปน้ราน่ารเ่สังเวชด้วยซ้ำในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปลนปลือรู้ร้ามาก่อนเริ่มไหวพระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนาท่านชอบสวดมนต์นานด้วยกว่าจะหยุดเวลาเป็นชั่วโมงชั่โม หลังจากไหวพระสูตรมนต์ก็เข้าที่ทำสมาธิภาวนาต่อไปเป็นหลายๆชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอนการเดินจงกรมของท่านกน็นานการนั่งภาวนากน็นานเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงการยืนก็นานเมื่อถึงวาระที่ควรยืนลำพึงอัดทรมภายในใจด้วยปัญญ า, าท่านยืนได้เป็นชั่วโมงช่โมงเช่นกันจนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อถามที่ลำพึงไตร่ตรอง น, นั้นๆท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไปการนั่งสมาธิภาวนา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 จนประมาณการเวลาของมันไม่ได้นั้นเป็นสกุลที่เหนียวหนับตับแข็งมากมีกําลังมากฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่าน้ํำซับน้ําซึมเป็นไหนๆกลมานยามากร้อยสันพันคมความกินง่ายกินปริ่นป้อนหลอกลวงสัตว์โลกไม่อาจพัฒนาวิชาการและลวดลายของมันให้จบสิ้นลงได้เนื่องจากมันมีมากยิ่งกว่าท้องฟ้ามาหาสมุทรสุดสาครเป็นไหนๆในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในขายแห่งวิชาและอํานาจของมันครอบงําทั้งสิ้น ไม่มีช่องว่างแม้เม็ดทรายหนึ่งที่วิชาคนอุบายอันแยบคายของมันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝงหรือซึมซาบอยู่หากเป็นตุ่มก็เต็มตุม่มล้นตุม่มเป็นยุ้งก็เต็มยุงเป็นฉางก็เต็มฉางเป็นบ้านก็เต็มบ้านเป็นเมืองก็เต็มเมืองเป็นโลกก็เต็มโลกเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรก็เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นโลกกระถาก็เต็มโลกกระถานไม่มีว่างเว้นจากมันคือสกุลกิเลส ท, ท, ที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักคายครอบไว้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 จ, จิตใจชุ่มเย็นโดยสม่ำเสมอในอิริยาบตต่างๆวิริยะเพียรไม่ถอยทุกอิริยาบตเป็นไปด้วยความเพียรปราบกิเลสเถาะถอนกิเลสสกุลมหิมาจิตตะมีความฝักใฝ่ใคร่ต่อการบำรุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชาพยายามระวังรักษามาแหรรสอันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจวิมังสาพิจารณาใคร่ครวนไตรทองมองหาเหตุหาผลที่มาเกี่ยวข้องกับใจด้วยความไม่ประมาทพยายามฝึ ก, กจิตที่เคยโง่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 การทำความาคเพียรในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจนจิตสงบลงเป็นสมาธิได้แม้จะเป็นความเพียรผาดโ ผ, น, ผ, น, ผนด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตามแต่การเพียรการต่อสู้ในระยะนี้เป็นการต่อสู้ที่บอบช้ำ ม, มากแต่ผลปรากฏมีน้อยไม่สมดุลกันทั้งนี้เพราะยังไม่รู้วิธีการต่อสู้และภาคเพียรเท่าที่ควรแต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจำต้องยอมรับยอมโดนความบอบช้ำไปก่อนเพื่อทราบเหตุผลจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมา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 ทั้งประโยคพยายามทั้งสติปัญญาที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐาน5มีเกษาโลมาเป็นต้นตลอดสภาวะธรรมทั่วไปด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกุลกายส่วนต่างๆจนตลอดทั่วถึงประสานกับสภาวะธรรมภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันหายสงสัยถปล่อยวางไปโดยลาดับสติปัญญาขั้นพิจารณารูปขันธ์นี้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 ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากาการฟังการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้นส่วนนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเป็นขันละเอียดการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ละเอียดไปตามๆกันสติปัญญาที่พิจารณาขันทั้ง4ี่นี้ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุขมุมราวกับน้ำนํำซับน้ํำซึมนั่นแหลแต่การพิจารณาขันทั้ง4นี้พิจารณา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 เพราะกิเลสมักรวดเร็วมากกว่าธรรมจะตามรู้ตามเห็นทันมันนักปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะรู้มารยาของกิเลสประเภทต่างๆดังกลามาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัยการพิจารณาทุกเวทนาในขันธ์มีรูปขันธ์เป็นสำคัญจงอยากคำนึงความเจ็บปวดรวดราวจะหายตัวจะเป็นจะตายยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกายจากเวทนาจากจิต ซึ่งพร้อมจะแสดงความจริงให้นักปฏิบัติผู้กแกล้วกล้าหน้านัครบเพื่อเรียนจบอริยสัจรู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้วอันความกลัวเป็นกลัวตายความอยากให้ทุกข์หายในเวลานั้นนั่นคือแม่ทัพใหญ่ของสกุลกิเลสจะคอยทําลายบันลังแห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่าจงพากันทราบไว้ทุกๆองค์อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปา่าคอกจะออกอกีดขวางต้านทานทางเดินของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องใดโอกาส กโรนาทาบไว้ด้วยว่ากิเลส ท, ทุกประเภทไม่เผอเรออ่อนแอทอแท้เลวีวไหลเสื่อซาเซื่อสะเหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยาส่วนใจปล่อยให้กิเลสหุดลากไปทะลุงหุงต้มกินเลี้ยงกันอย่างอเร็ดอร่อยพุิมันนะดังนั้นในเวลาที่เขาไดย เ, เขาเข็มระว่างทุกเขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะ ก, กันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อยเพื่อสู้ท่าเดียว คือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจอ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กำลังคลุกเคล้ากันอยู่กว่าทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถีท้วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้น จงสนใจในการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายดังนั้นในเวลาที่เขาดายเขาเข็มระว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะ ก, กันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติ๋วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจอ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กําลังคลุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้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 จนรูปปัญหาที่ปรากฏขึ้นจากความปรุงดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบจากนั้นก็เป็นจิตว่างจากรูปจากวัตถุต่างๆทั้งภายในภายนอกหมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีกมีแต่หมุนเข้าสู่รนามารำทั้งสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง3ามโดยทายเดียวโดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเนื่องจากอาการทั้ง3ามนี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิตสังเกตสอดรู้อาการเหล่านี้ขณะเกิดและดับ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 สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันภายในวงความเพียรของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสส้นซากไปหมดแล้วปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แลดังนั้นจึงขอนิมทนาพระลูกพระหลานทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวด้วยทำกระเทือนโลกที่ปูกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิเลสแต่บัดนี้ที่กําลังมีครูอาจารย์สั่งสอนอยู่ จะไม่เสียทีให้กิเลสชิ้นต่างๆอยู่ร่าไปดังที่เคยเป็นมาซึ่งหน้าทุเรศอานักหนาในสายตาของนักปราดผู้ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วพวกเราที่ถูกกิเลสกล่อมใจให้หลับทั้งที่ตื่นอยู่มักเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นภัยว่าเป็นคุณเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นหาเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามอร่ามตาแช่มชื่นใจทําอะไรที่เป็นสารคุณจึงมักทําแบบสุกเอาเผากินแบบขอไปทีขอไปที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 และเกลืนกลนอยู่ในถ้ำกลางแห่งคนดีซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าประเภทษษษเศรษฐินระหว่างแห่งพระดีพระแท้ด้วยสู่ปฏิบัติคนดีคนแท้ด้วยทานศีลภาวนาสัมมาคารวะกับพระเศรษพระเดน่นคนเศษคนเดน่นเราจะสมัครทางไหนจงรีบตัดสินใจว่าจากการพิจารณาด้วยดีเสียแต่แบบ น, นี้เวลาตายแล้วความดีงานที่พึงหวังไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าหลงที่ห่มคลุมและการนิมนต์พระมาคุณสลามาติกาบางสกุลอะไรนะ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 คนคลึกคนลาสมัยต่อความบีงามและมรคนิพานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสดสดร้อนด้วยพระเมตตาสุดๆไม่มีใครเสมอเหมือนผมเองก็น้ำวันแก่ลงการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เป็นสะดวกพระเนนก็น้าวันหลั่งไหลม า, มามากเพื่อรับการอบรมสั่งสอนขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริงอย่านํำความหล่ลาะและและมาสังหารตนและทําลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเสียไปทั้งเราและผู้อื่นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว